จเจริญสุขท่านสาธุชนท่านผู้ฟังผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็กลับมาพบกับสาธุชนอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ก่อนที่สาธุชนจะรับฟังธรรมะบรรยายสำหรับวันนี้อาตมาขอยก คติพ์ของหลวงพอ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรมาให้สาธุชนได้สดับกันรักร่างพอส่างร้ายรอดตนยอดเยี่ยมธรรมกายผลผ่องแผ้วเลอเลอิศล่วงกุศลใดอื่นเชิญท่านถือเอาแก้วกล่องล่า เรื่องสกลสำหรับวันนี้ธรรมะที่จะนํามาให้สาธุชนได้รับฟังก็คือเรื่องธรรมกายคืออะไรซึ่งเป็นความหมายหรือว่าเป็นคําที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ตรัสเรียกพระองค์ว่าพระองค์เป็นธรรมกายจึงขอเชิญท่านสาธุชนมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสารธรรม กับธรรมบัญญายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลที่จะสรุปโดยย่อให้สาธุชนผู้ฟังได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมกายนั้นว่าเป็นกายอะไรมีความเป็นมาอย่างไรและทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและก็เป็นได้หรือไม่จึงขอเชิญท่านผู้ฟังมารับฟังพร้อมๆกันเจริญพร ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้ธรรมภาพก็ได้มีโอกาสมาตอบปัญหาธรรมะซึ่งหนักไปทางด้านธรรมะปฏิบัติซึ่งญาติโยมทั้งหลายก็อาจจะมีความสนใจบางท่านก็อย่างคล่องใจและก็ไม่เข้าใจ ว่าวิชาธรรมกายคืออะไรก่อนอื่นาาอาตมาพาดจะขอชี้แจงความหมายของคำว่าธรรมกายก่อนและก็ โยมสาธุชนโปรดเข้าใจว่า เป็นเครื่องประกอบหรือเป็นเครื่องปรุงแต่งและก็มีใจประจําอยู่ด้วยทุกกายในภาษาธรรมะกายนั้นท่านเรียกว่ารูปใจนั้นท่านเรียกว่านามนามรูปหรือกายกับใจนั้น มีซ้อนกันอยู่ในตัวเราเองทุกคนเป็นชั้นชั้นละเอียดเข้าไปกายในกายที่ซ้อนกันอยู่นี้แหละมีคุณสมบัติแตกต่างกันมีคุณสมบัติแตกต่างกันซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ได้ทรงแสดงและเรียกชื่อกายในกายนับตั้งแต่ณภ า, ายนอกคือกายมนุษย์หยาบและกายในกายเป็นณภ า, ายในเข้าไปนั้นเท่าที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นในพระไตรปิฎกท่านเรียก สองกายท่านเรียกชื่อสองชื่อชื่อหนึ่งที่เห็นอยู่เสมอก็คือกายเนื้อมนุษย์กายมนุษย์นี่แหละชื่อที่สองท่านเรียกเทวากายนี่มีปรากฏอยู่ในใคัตติกิรกซึ่ง อาตมาภาพจะขออ่านให้ฟังสักเล็กน้อยเพื่อทราบว่ากายในกายณภายในเนะี่ยมีอยู่มเีเรื่องเทวกายนั้นมีปรากฏอยู่ ว่าเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสณเตขมิตรสันติอปายภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรศสันติซึ่งแปลความว่าบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสาระบุคคลเหล่านั้น จักไม่ไปสู่อบายภูมิละกายที่เป็นของมนุษย์แล้วจักยังเทวากายให้เต็มรอบจากข้อความนี้จะเห็นว่านอกจากกายมนุษย์แล้วยังมีกายในกายณนะภายในอีกคือเทวากายซึ่งเทวากายนี้ พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่าถ้าใครมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งปฏิบัติพระรัตนตรัยอยู่คือถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอยู่ก็ละกายเนื้อมนุษย์แล้วก็จะไปสู่เทวภูมิ หรือเป็นเทวากายการปฏิบัติเข้าถึงพระรัตนตรัยนั้นเป็นคุณความดีให้เข้าถึงกายในกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเทวากายเทวากายนั่นพระพุทธองค์ทรงหมายถึงกายที่โปรงแสงโปรงเบาได้กำเนิดขึ้น ด้วยคุณความดีหรือบุญกุศลต่อจากกายมนุษย์และพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงปฏิจจสมุปาตาธรรมคือธรรมชาติที่เป็นเหตุผลเกี่ยวเนื่องกันจากต้นเหตุต้นในต้นเหตุไปถึงปลายเหตุกล่าวคืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ นามรูปคือกายกับใจนะี่และเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอุปาทานเกิดภพเกิดชาติทั้งในปัจจุบันทันทีที่จิตใจถูกปรุงแต่งด้วยกิลเลสอวิชชาเป็นการเกิดภพเกิดชาติในทันทีเพราะฉะนั้น บุคคลใดที่กระทําคุณความดีแต่อวิชชาคือความไม่รู้ในสัจธรรมทั้งหลายยังไม่หมดสิ้นไปก็ยังจะต้องเกิดอีกความเกิดนั้นเกิดขึ้นทันทีตามสายปฏิจจสมุ ป, ปบาทธรรมเกิดไปไหนเกิดไปสุขติและยังเทวากายให้เต็มรอบก็แปลว่ามีกายในกายณนะภายใน ที่ละเอียดเข้าไปซึ่งเป็นกายที่โปร่งเบาและก็เป็นกายที่เป็นสุกติคําว่าเทวากายนั้นจึงครอบคลุมถึงกายเทพยดาไปจนถึงกายกรมอารุ ป, ปรพรมนี่เป็นกายในกายณนะภายในชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองไปตามลําดับทีนี้ มีอีกในพระไตรปิฎกพระองค์ได้ทรงแสดงทำไว้ในที่นะหลายแห่งว่าพระพุทธองค์เองนั้นหรือพระตถาคตเจ้านั้นเป็นธรรมกายหรือพรหมกายและว่าธรรมกายหรือพรหมกายนี้อุบัติขึ้น ไม่ใช่เกิดเพราะอาวิชชาแต่อุบัติขึ้นเพราะความบริสุทธิ์จึงชื่อว่าธรรมภูตัะและอุบัติขึ้นนั้นรวมความบริสุทธิ์ทั้งหมดอุบัติขึ้นรวมเรียกว่าธรรมกายและธรรมกายนี้แตกต่างจากเทวากายและมนุษย์กาย ตรงที่ว่ามนุษย์กายหรือเทวากายหรือกายสัตว์โลกอื่นๆในภพสามนั้นประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งได้แก่ธาตุขันและกรรมต่างๆอย่างน้อยที่สุดญาติโยมทั้งหลาย โปรดเข้าใจถึงความปรุงแต่งของสังขารเหล่านี้ด้วยกรรมวา่ากรรมดีปรุงแต่งหรือประกอบกรรมดีด้วยบุญกุศลเป็นเหตุนำเหตุหนุนแล้วกรรมดีนั้นจะปรุงแต่งหรือส่งผลให้ได้รับความสุขความเจริญต่อไปในภายหน้าให้บังเกิดในสุคติภูมิหรือทิ่นที่ เป็นความเจริญรุ่งเรืองเป็นความสุขแต่ถ้าทำกรรมชั่วด้วยบาปอากคุสลเป็นเหตุนำเหตุหนุนแล้วบาปอากคุสลนั้นก็จะส่งผลปรุงแต่งให้ไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนหรือไปเกิดในทุกติภูมิความเกิดเพราะบุญก็ดีหรือบาปก็ดีปรุงแต่ง มีต้นเหตุในต้นเหตุที่เป็นเหตุนําเหตุหนุนอยู่คืออวิชชาได้แก่ความไม่รู้สัจธรรมตามที่เป็นจริงนี่เองสังขารทั้งหลายเหล่านี้แหละที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยฝูงแต่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้แก่สังขารของกายมนุษย์สังขาร ของเทวากายซึ่งกินความทั้งเทพยดาถึงพรมอารุปพรหมนี่และเนื่องด้วยธรรมชาติที่เป็นสังขารเหล่านี้ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างนี้จึงมีสภาวะเป็นอย่างเดียวกันหมดเรียกว่าสามัญลักษณะคือความเป็นอนิจจังไม่เที่ยง ต้องเปลี่ยนแปลงแป ร, แปรผันไปตามเหตุปัจจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมบางทีเสวยกรรมดีหมดจากกรรมดีให้ผลแล้วก็เสวยกรรมชั่วผลของกรรมชั่วต่อไปเป็นความทุกข์เดือดร้อนต่อไปหรือแม้แต่การเวลาหรือสิ่งแวดล้อมทําให้สังขารเหล่านี้ต้องแก่ต้องเฒ่าต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดเรียกว่า เ, เปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุตามปัจจัย เรียกว่าอานิจจังและมีสภาวะอีกอันหนึ่งเป็นทุกขังคือไม่สามารถจะทนอยู่ในสภาพเดิมได้นานมีตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปความที่ไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาพเดิมได้ เ, เมื่อใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นวันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเราเขาของเราของเขา ด้วยตัณหาและความหลงผิดอย่างนั้นแล้วก็เป็นทุกข์ทีเดียวทุกข์มากทุกข์น้อยขึ้นอยู่ที่ความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความหลงผิดถ้าใครยึดน้อยก็ทุกข์น้อยไม่ยึดเลยไม่ทุกข์เลยและลงท้ายอันนี้เรียกว่าทุกขังสภาวะอันนี้และลงท้ายเสื่อมสลายหมดสภาพเดิมของของเขาเองหมดสิน้น พูดอย่างง่ายๆถ้าสังขารของเราก็ตายเป็นขี้เถ้าเป็นอากาศธาตุไปบ้างเป็นขี้เถ้าไปบ้างเป็นดินไปบ้างหมดไม่เหลืออยู่แม้แต่สักรายอย่างนี้เรียกว่าสภ า, วานวะนิว่าเป็นอนัตตานี่แหละคุณโยมทั้งหลายสภาวะของสังขารหรือธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างเช่นสังขารของมนุษย์ ของทิพย์ของพรมอรู ป, ประพรมซึ่งมีสภาวะที่แตกต่างจากธรรมกายธรรมกายนั้นเป็นกายในกายที่สุดละเอียดพ้นจากกายในภพสามนี้ไปพระพุทธองค์ได้ทรงสแสดงว่าพระองค์เองเป็นธรรมกายตถาคตคือธรรมกายและ บางครั้งก็เรียกว่าธรรมกายที่ว่าเป็นธรรมกายเพราะอะไรเป็นกายหรือเป็นธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอยู่เหนือความปรุงแต่งด้วยบุญด้วยบาปเมื่ออยู่เหนือความปรุงแต่งด้วยบุญด้วยบาปมีสภาวะที่เป็นธาตุล้วนธรรมล้วนจึงไม่มีความเกิดขึ้น เพราะอาวิชชาในเบื้องต้นและประการที่สองจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปรผันตามเหตุตามปัใจจัยในท่ามกลางและไม่ต้องเสื่อมสลายหมดสภาพเดิมของมันไปในที่สุดก็คือเป็นกายและใจหรือเป็นธาตุธรรมที่ยั่งยืน ความที่ยั่งยืนนี้แหละที่เรียกว่ากายประเสริฐหรือเรียกว่าพรหมกายพระพุทธองค์ทรงเรียกว่าพรหมกายแต่ที่บริสุทธิ์เป็นธาตุล้วนธรรมล้วนท่านเรียกว่าธรรมกายความอุบัติขึ้นของธาตุล้วนธรรมล้วนท่านเรียกว่าธรรมภูตะและความอุบัติขึ้นของธาตุธรรมอันประเสริฐไม่ต้องตกอยู่ในอนัต แห่งไตรลักษณ์หรือสามัญจะลักษณะที่ว่าต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสภาวะนี้ไม่เป็นเช่นนั้นจึงเรียกว่าพรมกายหรือกายประเสริฐเพราะฉะนั้นธรรมกายคืออะไรก็คือกายแหละใจซึ่งซ้อนอยู่ในที่สุดละเอียดของกายในกายณนะภายในของสัตว์โลกทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเราเองนั่นเองแต่เป็นกายที่บริสุทธ ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งและไม่ต้องตกอยู่ในอานัตแห่งพาดไตรลักษณ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาชโมพทธเจ้าได้ทรงแสดงและเรียกว่าธรรมกายหรือพรมกายจะอุบัติขึ้นก็ต่อเมื่อเราทำใจกายและวาจาของเราให้บริสุทธิ์จนพ้นความดีของชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความดีสูงสุดของอาลุปพรหมไปแล้วพ้นความปรุงแต่งด้วยผลบุญผลบาปแล้วจะเข้าถึงธรรมกายนี้ได้และพรมมกายนี้ได้หรืออีกในหนึ่งธรรมกายนี้จะอุบัติขึ้นให้เห็นให้รู้ให้เข้าถึงและเป็นได้อยู่ในซ้อนอยู่ในกายในกายของเราเอง แหลกซ้อนอยู่ที่สุดละเอียดของใจของเราเองนั่นแหละไม่ใช่ที่ไหนเพราะความบริสุทธิ์จริงๆนั้นมารวมยอดอยู่ที่ใจกายนั้นเป็นเพียงเครื่องประกอบเป็นเพียงหุน่นให้ใจนั้นเชิดไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าธรรมกายอยู่ที่ไหน เป็นกายในกายที่สุดละเอียดพ้นจากกายในภพสามของเราเองเป็นกายที่บริสุทธิ์ที่สุดละเอียดและที่ตั้งนั้นก็อยู่ที่สุดละเอียดสะอาดบริสุทธิ์ที่สุดของใจเราเองนั่นเองอย่างนี้พอจะเข้าใจทีนี้มาถึงปัญหาที่ว่าเกี่ยวข้องกับธรรมะปฏิบัติอย่างไรล่ะ นี่แหละทินโยมสาธุชนทั้งหลายคุนทราบว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายและธรรมกายนั้นการเข้าถึงรู้เห็นและเป็นครั้งแรกถ้ายังละกิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกยังไม่หมดสิ้นโดยเด็ดขาด ที่ภาษาพระว่าเป็นสมุรเฉดสะพานได้แล้วหรืออย่างน้อยที่สุดยังละกิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกกับโลกอย่างน้อยสามประการคือสักกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพจปรามาตยังไม่ได้ก็ยังจัดเป็นแต่เพียงโคตรภูบุคคลคือบุคคลที่ พอจะเข้าถึงรู้เห็นคุณความดีข้อนี้ได้แต่ถ้าปฏิบัติสืบต่อไปจนละกิเลสได้ดังกล่าวจึงจะก้าวล่วงข้ามโทษปุตุชนเข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคลได้แต่ถ้ากลับทำความไม่ถูกต้องเป็นบาปอกุศลก็จะมีสภาวะของจิตใจกลับเข้าสู่ความเป็นปุตตุชน ธรรมดาตามเดิมนั่นเองทีนี้ส่วนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านนหรือพระอรหันต์นั้นธรรมกายของท่านเป็นธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลแล้วมีชื่อว่าพระนิพพานพระนิพพานคือธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลแล้วแต่ถ้าธรรมกายที่บรรลุพระอริยะบุคคลแต่ละขั้นละขั้นตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งก็ชื่อว่าธรรมกายพระโสดา ขั้นที่สองสูงขึ้นไปอีกก็ธรรมกายพระสกิทาคามีสูงขึ้นไปอีกเป็นธรรมกายพระอนาคามีสูงขึ้นไปอีกเป็นธรรมกายพระอรหันต์และจนเป็นปกติแล้วเรียกว่าพระนิพพานเพราะฉะนั้นในภาษาพระกล่าวถึงคุณธรรมข้อนี้ว่าโสดาปฏิมัติพระโสดาปฏิผลพระสกิทาคามีมัตพระสกิทาคามีผล พระอนาคามิมกักพระอนาคามิผลพระอาราหัตมักพระอาราหัตผลชื่อว่าพระอริยะบุคคลแปดเพิ่มพระนิพพานเข้าหนึ่งเป็นพระนบพโลกุตรธรรมเจ้าเก้าประการ น, นี่ที่เราเคยได้ยินเป็นอย่างนี้ที่นี้เกี่ยวข้องกับธรรมปฏิบัติอย่างไรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเห็นแล้วเข้าถึงแล้วเป็นแล้วซึ่งพระนิพพาน ได้พบแล้วซึ่งธาตุธรรมสองอย่างนี้ว่าธาตุธรรมอย่างแรกที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่ชื่อว่าสังขาร น, นั้นเพราะองค์ทรงพบแล้วว่ามีสามัญลักษณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งถ้าใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วด้วยตัณหาและทิทธิแล้วเป็นทุกข์นี่แหละพบข้อนี้เรียกว่าทุกขสัจจ์ และได้พบถึงเหตุในเหตุไปถึงต้นต้นเหตุที่คนจะเข้าไปประพฤติปฏิบัติผิดด้วยตัณหาด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นและได้ความหลงผิดได้พบเหตุในเหตุนี้เรียกว่าสมุททยสัจจะและได้พบต่อไปว่าถ้าเข้าถึงธรรมกายเป็นกายเพ่งเขากิเลส พิจารณาสภาวธรรมให้เกิดปัญญารู้แจ้งในพระอริยสัจจะทำแล้วสามารถที่จะตัดกำจัดเหตุในเหตุไปถึงต้นต้นเหตุได้โดยสิ้นเชิงเรียกว่าทุกข์ดับเพราะเหตุดับอริยสัจนี้ชื่อว่านิโรธสัจจะและได้พบผลทางปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมกายเพื่อกำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายเป็นการเผาบอชื่อว่ามรรคสัจจะ รวมเรียกว่าพระอริยสัจ ท, ทั้งสและพระองค์ทรงค้นพบว่าพระนิพพานนี้เองไม่ต้องตกอยู่ในอนัตแห่งพระไตรลักษณ์ไม่ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจึงมีพระประสงค์ที่จะให้สาธุชนเวนยสัพพสัตวทั้งหลายได้ปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจถึงสภาวะของสังขารว่าประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างไร มีสามัญลักษณะที่เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาอย่างไรเพื่อจะละวางอุปทานในสังขารทาทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความหลงผิดนิเสียแล้วปฏิบัติเพื่อความเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายไปจนถึงพระนิพพานตามรอยบาทพระพุทธองค์นี่จึงเกี่ยวข้องกันด้วยประกาศนี้ ขณะนี้สาธุชนกําลังติดตามรับฟังสารธรรมจากรายการธรรมสู่สันติที่จบไปนั้นก็เป็นการตอบปัญหาธรรมของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลโอเรื่องธรรมกายคืออะไรสาธุชนกที่ติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ก็คงจะมั่นใจลงไปได้เลยว่าธรรมกายนั้นมีปรากฏอยู่ในหลักฐานในทางพระคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ที่เรายอมรับกันก็คือในพระไตรปิฎกซึ่งมีปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สามทีฆนิกายปาฏิกวกัคอคคัญญสูตรตอนว่าด้วยบุตรที่เกิดแต่พระอุระและพระโอ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังมีพระพุทธภาษิตว่าตถาคตตัดสะเหตังวาเศรษฐา อธิวัจนังธรรมกายโยอิติปิพรหมกายโยอิติปิธรรมภูตโตอิติปิพรหมภูตโอ ต, ตโอิติปิแปลความเป็นภาษาไทยโดยย่อว่าดูก่อนวาเศษฐะและภารทวาชะผู้ใดแลมีศรัทธาตั้งมั่น เกิดขึ้นแล้วแต่รากแก้วคืออริยมรรประดิษฐานมั่นคงอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือผู้ใดผู้หนึ่งในโลกไม่พลากไปได้ควรเรียกผู้นั้นว่าเป็นบุตรเกิดแต่พระอุระเกิดแต่พระโอษของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้เกิดแต่พระธรรมเป็นผู้พระธรรมเนรมิตรขึ้น เป็นผู้รับมรดกพระธรรมข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะคําว่าธรรมกายก็ดีว่าพรหมกายก็ดีว่าธรรมพูดก็ดีว่าพรหมพูดก็ดีเป็นชื่อของตถาคตนี้คือหลักฐานที่มีปรากฏอยู่ในอักคัญยสูตรที่ขนิกายปาติกวัครสาธุชน ก็สามารถที่จะไปสอบทานดูได้ว่าที่หลวงพ่อแสดงถึงเรื่องธรรมกายนั้นมีปรากฏอยู่ในหลักปริยัติและวิธีการปฏิบัติรวมทั้งผลของการปฏิบัติคือในหลักพระสัตธธรรมทั้งสามประการนั่นเองสำหรับวันนี้อาตมาก็ได้นำสารธรรมจากหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยช ย, ยะมังคโลโมาสู่ท่านสาธุชนและขอเชิญสาธุชนโปรดติดตาม ธรรมะเกี่ยวกับวิชาธรรมกายได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทินเจริญพร